วันนี้จะขอพูดเรื่องนิวรน์นิวรณ น, นี้แปลว่าอุปสรรคในการทำสมาธิในการทำใจให้สงบเหตุที่ใจไม่สงบนี้เพราะไม่อุปสรรคขวางกัน้นอุปสรรคนี้เรียกว่านิวรณ มีอยู่ห้าชนิดด้วยกันเรียกว่านิวรห้าชนิดที่หนึ่งคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาตามาภาษาพระ ข้อที่สองคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลตะปะความอยากเสพกลามความยินดีในการที่จะดูจะฟังจะลิ้มรสจะดมกลิ่นอะไรต่างๆจะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยาก ข้อที่สองนี้เรียกว่ากามฉันทะกามก็คือกามกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะฉันทะคือความยินดียินดีในกามคุณห้าก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบข้อที่สาม คือความง่วงเหงาหานอนอเวลาปฏิบัติบางทีพอจะนั่งสมาธิก็เริ่มหามแต่ถ้านั่งดูหนังพังเพลงนี้ไม่หาไม่ง่วงแต่พอให้นั่งสมาธินั่งสวดมนต์นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมจะเกิดอาการหา ความอยากนอนขึ้นมามก็เวลานั่งแทนที่จะเข้าสมาธิก็นั่งหลับก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลไม่ได้ทำใจให้สงบข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือความโกรธเวลามีความโกรธ จะนั่งสมาธิทําใจให้สงบเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของความโกรธเรื่องความของความแค้นเรื่องของความมาคาดพยาบาททาให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้น ข้อที่ห้าคือความคิดฟุ้งซ่านชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดจนนอนไม่หลับลวเวลานั่งสมาธิกรจิตก็ไม่อยู่กับพุทธโธไม่อยู่กับลมหายใจนั่งไปยังไงก็ไม่สงบเพราะหยุดความคิดฟุ้งซ่านไม่ได้ นี่คืออุปสรรคในการนั่งสมาธิอุปสรรคที่จะทำให้นั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลผู้ที่จะนั่งสมาธิให้ได้ผลจึงต้องหามาตรการมากำจัดอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เวลาที่มันเกิดขึ้นมาให้ได้ถ้ากำจัดไม่ได้ ก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ไม่สามารถสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงได้ไม่สามารถสัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้นี่คือเรื่องของนิวรห้า ที่ผู้ที่ปฏิบัติทำเพื่อทำใจให้สงบจะต้องทำความรู้จักและหามาตรการแก้ไขให้ได้ถ้าอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติวิธีแก้นิวรณ น, นี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงทรงสอนไว้ ถ้ามีความลังเลยสงสัยในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปเรียนรู้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไปเรียนรู้จากแหล่งอื่นก็จะได้ความรู้ที่ ไม่ตรงกับความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนท่นเมื่อวานนี้ก็มีคนถามว่าถ้าเป็นคารวะแล้วบรรลุถึงพระนิพพานแล้วไม่ได้บวชจะต้องตายหรือเปล่านี่ก็ไปเรียนรู้จากแหล่งที่ไม่ใช่พระพุทธพระพุทธธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้บอกว่าพอบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วไม่ได้บวชแล้วจะต้องตายเพราะว่าการบรรลุเป็นพระอารหันต์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายร่างกายนี้จะบรรลุเป็นพระอารหันต์หรือไม่เป็นพระอารหันต์ก็ต้องตายเหมือนกันทุกคน ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องตายร่างกายของพระอาหารหันตสาวกก็ต้องตายร่างกายของคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราก็ต้องตายเหมือนกันมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดถ้าไม่ได้เป็นนักบวชแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วจะต้องตาย แต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วไม่ต้องตายเนยก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีใครไม่ตายสำหรับเรื่องของร่างกายจะเป็นนักบวชหรือเป็นคาราวาทุกขครองเรือนก็ต้องตายเหมือนกันแต่ใจนี่ไม่เหมือนกันใจนี้ที่เป็นพระอารหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ใจนี้แหละที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับความตาย ถ้าไม่เป็นผ้าอราหารนันนี้ใจจะทุกข์กับความตายใจจะทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเช่นตอนนี้กำลังทุกข์กับเรื่องโรคไข้หวัดระบาดกันแต่ถ้าเป็นผ้าอราหารนันแล้วใจจะไม่ทุกข์กับโรคระบาดต่างๆเพราะโรคระบาดนี้มันไประบาดที่ร่างกายมันไม่ได้ไประบาดที่ใจ รระบาดเข้าไปไม่ถึงใจแต่คนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะไม่รู้เพราะจะไปคิดว่าใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันพอร่างกายเป็นอะไรก็คิดว่าใจต้องเป็นไปกับร่างกายด้วยร่างกายไม่สบายใจก็ต้องไม่สบายไปกับร่างกายร่างกายตายใจก็ต้องตายไปกับร่างกาย อันนี้เป็นความคิดของคนตาบอดอย่างพวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกคนตาบอดเพราะไปคิดว่าร่างกายกับใจเป็นคนเดียวกันแต่สำหรับคนตาดีนี้จะรู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละคนกันร่างกายตายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเจ็บไข้เป็นไข้หวัดใหญ่ ใจไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่ไปกับร่างกายใจเลยไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็เรื่องของร่างกายใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแล้วไปทุกข์กับร่างกายทำไมนี่นี่คือความลังเลสงสยัยถ้าไปฟังจากแหล่งที่ไม่รู้เรื่องความเป็นจริงของธรรมว่าเป็นอย่างไร บางคนก็พูดว่าอย่าไปปฏิบัติให้เสียเวลาเลยยุคนี้สมัยนี้นิพพานไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าเอาไปนิพพานหมดแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าพระธรรมของพระองค์นี้เป็นอากาลิโกไม่มีวันหมดยุคหมดสมัย มีพระนิพพานในสมัยพระพุทธการก็มีนิพพานในสมัยนี้ใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้ไปถึงพระนิพพานไม่ว่าจะอยู่ในยุคในสมัยใดยุคหน้าก็ยังมีนิพพานอยู่ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาเรียกว่าอาการลิโก นี่ถ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วความลังเลสงสัยต่างๆจะหายไปหมดอา น, น, อ น, นิสง์ของการฟังธรรมเนี่ยจะทำให้ความลังเลสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจหายไปหมดดังนั้นถ้าเรายังมีความลังเลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามให้ศึกษาค้นหาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องที่จะทำให้ความลังเลสงสัยต่างๆหายไปหมดถ้าไม่เรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเจอแต่ความสงสัยอยู่เรื่อยๆเพราะคนที่สอนเป็นคนที่ ตาบอดหูหนวกนี่เป็นเหมือนพวกตาบอดคำช้างไปเจอช้างก็ไปคิดว่าเป็นงูบ้างเป็นเชือกบ้างเป็นหอกบ้างเป็นกำแพงบ้างเพราะตาบอดต้องใช้มือคำเอาไปคำที่หางก็คิดว่าเป็นเชือกไปคำที่งวงก็คิดว่าเป็นงู ไปคำที่งาก็คิดว่าเป็นหอกไปคำที่ท้องก็คิดว่าเป็นผนังนี่แหละคือการศึกษาจากพวกที่ไม่รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพระนั้นอย่าไปฟังพวกมงคลตื่นข่าวทัง้งหลายถ้าไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์อย่าไปฟัง ถ้าหนังสือไม่ได้มาจากพระไตรปิฎกหรือหนังสือของพระอาหารหันตสาวกอย่าไปอ่านให้เสียเวลาแล้วจะเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมามากมายแต่ถ้าอ่านหนังสือจากพระไตรปิฎกอ่านหนังสือของพระอาหารหันตสาวกของครูบาอาจารย์ที่บรรลุมรคนี่ผ่านแล้ว แล้วจะทําให้ความลังในสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หายไปหมดไปจะทําให้ไม่ลังในสงสัยจะทําให้ทุ่มเทกับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อทําให้ได้ผลจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่คืออุปสรรคข้อที่หนึ่ง เกิดจากการที่ไม่ศึกษากันศึกษาน้อยหรือศึกษาจากแหล่งที่ไม่ใช่เป็นแหล่งที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกรือศึกษาจากพระอริยสงสาวกจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะได้ความรู้ที่ถูกต้องที่จะทําให้ไม่ลังในสงสัย ว่าลถแห่งธรรมนี้ชนะลถทั้งปวงมีจริงหรือไม่ความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้เป็นจริงหรือไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ผลแล้วเช่นพระ อ, อริยสงสาวกหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็อยู่ในพระไตปิดก อยากจะรู้ เ, เรื่องราวเหล่านี้ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้คำสอนที่พูดมาในวันนี้ก็เอามาจากพระไตรปิฎกเอามาจากพระอริยสงสาวก เ, าเมื่อฟังแล้วจะได้ไม่นั่งเลยสงสัยว่านั่งสมาธิแล้วจะได้อะไรหรือไม่ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้อย่างไร นั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะเกิดความสุขขึ้นมาได้อย่างไรเพราะความสุขของพวกเราที่เรารู้จักมันต้องเกิดจากการถูกวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินมาแล้วโอ้ยดีอกดีใจได้ผัวได้เมียแล้วโอ้ย ด, ดีอกดีใจได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ไปกินได้ไปดื่มถึงจะมีความสุข แล้วให้มานั่งเฉยๆแล้วมันจะได้ความสุขอะไรอันนี้ก็จะลังเลสงสัยแต่ถ้าไปฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกนั่งไปเถิดเดี๋ยวถึงเวลามันสงบแล้วมันก็จะรู้เองเห็นเองมันจะรู้ว่ามีสิ่งมหศัศจรรย์ใจอยู่ในใจของเราเองนี่ที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะเราไม่เคยทาใจของเราให้สงบกันเราก็เลยไม่เคยได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่เกิดจากการนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆนี่แหละมีสิ่งที่วิเศษเหนือกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้รอเราอยู่ในใจของพวกเราถ้าเราสามารถทำใจของเราให้นิ่งให้เฉยให้ได้ให้หยุดความคิดให้ได้ จะหยุดความคิดได้ก็ต้องเนี่ยข้อที่หนึ่งก็ต้องกำจัดความลังเลยสงสัยต้องเชื่อว่านั่งสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวจะนำไปสู่ความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราเชื่อมั่น ไม่ลังเลสงสัยเราก็จะได้ตั้งใจทำกันเวลานั่งก็ตั้งใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าทำอย่างนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจไม่มีความลังเลสงสัยไม่ปล่อยให้ใจไปคิดว่าเฮ้ย hey, นั่งแล้วจะได้อะไรนั่งแล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเมื่อไหร่จะได้ทันที จะไม่ปล่อยให้ใจคิดอะไรทั้งนั้นเพราะถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วผลมันจะไม่เกิดผลมันจะเกิดก็ต้องให้มันหยุดคิดให้ได้มันจะหยุดคิดได้ก็ต้องอยู่กับพุทธโธพุทธโธหรืออยู่กับการดูลมหายใจเขาออกเท่านั้นนี่คือการแก้อุปสรรคชนิดที่หนึ่งคือความนังเลสงสัย ในเรื่องของการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างไรมีผลอย่างไรหรือไม่ถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนแต่ถ้าลังเลสงสยัยไม่ปฏิบัติตามคำสอนนั่งแล้วก็นั่งคิดนั่งลังเลสงสยัย นั่งไปก็เสียเวลาเปล่ า, านั่งไปก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาแต่อย่างใดต้องเชื่อต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลานั่งสมาธิให้ดูลมอย่างเดียวก็ดูลมอย่างเดียวหรือให้พุทโธอย่างเดียวก็พุทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปนั่งเลยสงสัยว่าพุทโธอย่างเดียวจะทาให้เกิด ความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงขึ้นมาได้อย่างไรถ้าคิดปั๊บนี่มันจะไม่มีวันที่จะสงบต้องอย่าให้ความคิดต่างๆเข้ามาต้องให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออก ร, รู้ลมเข้ารู้ลมออก ให้รู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเองพอสงบแล้วก็ถึงก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็จะหายลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเชื่อร้อยเปอร์เซนที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ทุกขั้นทุกตอนร้อยเปอร์เซ็นไม่ลังเลสงสัยถ้าบอกให้กระโดดตึกตายก็จะกระโดดตึกตายเพราะเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าส่งสอนนี้ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ต่อจิตใจสอนให้ไปหาเสือในป่าก็จะไปสอนให้ยอมตายก็จะยอมตาย มีคำสอนนะว่านิพพานอยู่ฝากตายใครอยากจะไปนิพพานนี้ถ้าไม่ยอมตายไปไม่ได้ผู้ที่จะไปนิพพานนี้ต้องยอมตายเพราะนิพพานอยู่ฝากตายเชื่อหรือไม่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีวันที่จะไปถึงนิพพานได้ถ้าเชื่อเดี๋ยวก็ไปถึงนิพพานได้ แล้วก็ไม่ตายด้วยที่ตายก็คือความไม่เชื่อเนี่ยที่จะตายนี่คือข้อที่หนึ่งการจะกาจัดนิวรณ์คือความนั่งลนสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ต้องมันศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือธรรมสอนที่มันมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือ พระอริยสงสาวกทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าพระสุปฏิปันโนทั้งหลายต้องไปศึกษาไปเรียนอยู่เรื่อยไปฟังเทศอยู่บ่อยๆแล้วถ้าไม่เข้าใจลังเลสงสัยอะไรก็ถามได้การถามนี้ก็เป็นช่วยการการแก้ปัญหาของความลังเลสงสัยได้ ถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่เชื่อยังสงสัยว่าเป็นไปได้หรือถามได้สงสัยเรื่องอะไรถามได้แต่ควรจะสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติดีกว่าอย่าไปสงสัยเรื่องอื่นที่บางทีพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตอบถ้าไปสงสัยเรื่องอาจินตายเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ตอบเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ กับผู้สงสัยเช่นโลกนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เรื่องของกรรมนี้เป็นอย่างไรทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไรบ้างท่านไม่ตอบเพราะมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดซับซ้อนที่ไม่สามารถตอบได้แบบตรงไปตรงมาทํากรรมนี้อะไรจะเกิด มันมีหลายอย่างที่มี ม, มีมีส่วนที่จะมาทำให้มันเกิดหรือไม่เกิดเกิดช้าหรือเกิดเร็วนี่ก็เลยสอนแบบตอบได้แบบรวมๆ ว, ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ที่ทำก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ทำก็คือใจผู้ที่รับผลของกรรมก็คือใจมไม่ได้ร่างกาย แต่บางทีร่างกายมันก็ติดร่างแหไปด้วยเพราะมันอยู่ติดกับใจมันก็เลยติดร่างแหไปบางทีมันก็ต้องถูกรับโทษทางร่างกายด้วยแต่บางทีก็ไม่รับโทษทางร่างกายถ้าไปดูผลที่ร่างกายก็ จ, จะทําให้สงสัยได้ว่าเอ๊ะทาไมคนนี้ทําชั่วแล้วกลับได้ดี วันนี้ทำดีแล้วกลับไม่ได้ดีถ้าไปดูที่ร่างกายต้องดูที่ใจทำชั่วแล้วใจจะทุกข์ใจจะไม่สบายทำดีแล้วใจจะสุขใจจะสบายนี่แหละคือผลที่จะเกิดจากการทำกรรมนี่ะคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆ เราถึงจะสามารถกำจัดความลังเลยสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ายังมีความสงสัยอยู่เดี๋ยวก็ถามได้เนี่ยที่นี่นอกจากมีการแสดงธรรมแล้วยังมีการตอบปัญหาด้วยเดี๋ยวช่วงที่สองใครสงสัยเรื่องอะไรถามได้จะตอบได้หรือไม่นั้นก็เรื่องของคนตอบ ว่ามีความสามารถจะตอบให้ได้หรือไม่หรือเรื่องของคนฟังว่าฟังแล้วจะเข้าใจหรือไม่เฉน้นเรื่องของอาจินตายนี้บางทีพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบเพราะว่าตอบไปคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยไม่อยากจะเสียเวลาตอบเพราะตอบไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีคำถามใหม่ตามมาอีก เรื่องของจินตายนี่มีอยู่สีเรื่องของความสามารถของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่อยากจะตอบตอบไปแล้วเดี๋ยวก็จะไม่เชื่อหรือว่าเป็นไปได้หรือเรื่องของโลกเกิดเมื่อไหร่เรื่องของจิตเรื่องของสมาธินี่เรื่องของฌานอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยตาของตนเอง สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเรื่องบางเรื่องท่านจึงไม่ตอบท่านจะตอบแต่เรื่องวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนั้นแต่จะมาถามว่าผลเป็นอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะไม่ตอบเพราะตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์คนฟังฟังแล้วก็ไม่ได้ผลจากการตอบของผล ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สู้สอนให้คนถามไปปฏิบัติดีกว่าไปทำดีกว่าทำแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นผลขึ้นมาเองเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นสอนให้ทำดีกว่าสอนให้เห็นเองดีกว่าดีกว่ามาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อย่างคนที่ไปเที่ยวเมืองนอกมาแล้วนี่มาเล่าให้คนที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวฟัง เล่ายัางไงมันก็นึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกสู้ตีตั๋วให้มันดีกว่าเาซื้อตั๋วให้มึงไปขึ้นเครื่องไปเมืองนอกไปไปดูด้วยตาของตนเองเอจะได้ไม่ต้องมาถามว่าเมืองนอกเมืองนาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านจะสอนวิธีทีท่จะทําให้เราลืมตาขึ้นมาที่จะทําให้เราเห็นอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นน เอ่นคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนใบไม้ในกํา ม, มือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้นี้เป็นเหมือนใบไม้ที่มีอยู่ในป่าจะมาพนานามาเล่าเรื่องใบไม้ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในป่านี้เล่าทั้งวันก็ไม่จบสู้บอกวิธีทําให้ลืมตาขึ้นมาดีกว่าทําให้มีดวงตาเห็นธรรม เราจะเห็นธรรมชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนะการศึกษาธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่ได้เรียนจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วรับประกันได้ว่าจะต้องได้ของปลอมมาได้เรื่องราวที่จะทําให้ไขว้เขวจะทําให้ลังเลสงสัย อนอย่าไปศึกษาจากผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงถึงแม้จะเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับประกันว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเพราะบางท่านเพียงแต่เรียนได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เห็นด้วยตนเองหรือปฏิบัติแล้วยังไม่เกิดผลขึ้นมาก็จะพูดโมเมไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนได้ สู้ไปเรียนจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงดีกว่าถึงแม้จะตายไปแล้วเช่นพระ พ, พระุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ตมีหนังสือคําสอนของท่านบันทึกไว้อยู่เก็บไว้อยู่เอามาอ่านกันอ่านหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นอย่างนี้เอาหนังสือที่หลวงตามหาบัวสอนที่เทศไว้นะเอามาอ่าน เอาหนังสือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศทรงสอนไว้มาอ่านแล้วจะได้ความจริงร้อยเปอร์เซ็น์จะทำให้ไม่มีความลังเลยสงสัยแต่อย่างใดจะทำให้มีความยินดีมีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมจากแหล่งที่แท้จริงจะทำให้เกิดมีความยินดีในในธรรมขึ้นมา ยินดีที่อยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมยินดีที่จะปฏิบัติธรรมกันแล้วความลังเลยสงสัยที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นในการทำใจให้สงบก็จะหมดไปต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ศึกษาเพียงครั้งเดียวยาบางท่านมาฟังเทศหนเดียวแล้วก็ไม่มาเลยถ้าไปฟังที่อื่นต่อก็ไม่เป็นไร แต่ก็ต้องไปฟังจากแหล่งที่ถูกต้องที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกับถามทางถ้าไปถามคนที่ไม่รู้ทางเดี๋ยวก็หลงทางกันต้องถามคนที่รู้ทางคนที่เดินทางไปแล้วรู้แล้วว่าทางนี้ทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นไปอย่างไรไปทิศทางไหนถ้าไปถามคนที่ยังไม่ได้ไปก็อบอกว่า ต้องอาจจะไปทางนูน้นอาจจะไปทางนี้นะพูดไปถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปถ้าฟังแล้วทำให้ลังเลยสงสัยก็อย่าไปฟังนี่คือข้อที่หนึ่งในการที่จะกาจัดอุปสรรคที่ขวางกาั้นการทำใจให้สงบก็คือความลังเลยสงสัย ในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและผลที่เกิดขึ้นนี้มีจริงหรือไม่ถ้าศึกษาจากผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับผลแล้วท่านก็จะยืนยันนอนยันว่ามีจริงและวิธีการปฏิบัติท่านก็จะบอกให้เรารู้ว่าต้องใช้กรรมฐานต้องใช้สติต้องไม่คิดปรุงแต่ง ต้องคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้แต่นั่งสมาธิก็ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปคําสอนมันตรงไปตรงมาง่ายๆแต่คนนํามาไปปฏิบัติมันไม่ยอมปฏิบัติตรงไปตรงมาไม่ยอมทําตาม พอนั่งสมาธิดูลมได้สองครั้งก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วถ้าปล่อยให้มันคิดไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องให้มันอยู่ดูลมไปอย่างเดียวหรือพูดโทไปอย่างเดียวถ้ายังดูลมไม่ได้พูดโทไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปก่อนสวดหลายๆายจบ สวดได้ร้อยจบได้ยิงดีเวลาสวดนี้เราจะมีสติดีกว่าเวลาไม่ได้สวดเพราะเวลาสวดมันต้องจำบทสวดแต่ถ้าเวลาอยู่กับพุโทโธคำเดียวนี้มันไม่ไม่ต้องจามันก็เลยไปคิดเรื่องอื่นได้แต่ถ้าสวดอ e ีพีดีโพอีตีปิโสนี่มันจะต้องจาบทสวดมันก็เลยไปคิดเรื่องอื่นไม่ค่อยได้ นี่คือวิธีแก้ความรังเลยสงสัยต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายอพอแก้อุปสรรคอันหนึ่งได้เดี๋ยวก็ไปเจออุปสรรคข้อที่สองข้อที่สองที่มีกันก็คือการชอบเสพรูป เสียงกลิ่นรดนั่นเองความยินดีในการมาคุณห้ายินดีกับการดูรูปกับการฟังเสียงกับการลิ้มรสกับการดมกลิ่นกับการสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายต้องเลิกให้ได้วิธีที่จะเลิกก็คือต้องถือศีลแปดกันต้อง ต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปเสพกา ร, รมาคุณห้าเช่นศีลข้อที่สามธรรมดาถ้าถือศีลห้าศีลห้านี้ยังอนุญาตให้ไปเสพกา ร, รมาคุณห้าได้ให้ไปนวมร่วมหลับนอนกับแฟนได้ศีลข้อสามนี้เพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเท่านั้น แต่คนที่เป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยานี้ไปร่วมหลับนอนได้แต่ถ้าจะมานั่งสมาธินี้ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับใครต้องถือศีลพรหมจรรย์อะพรหมจริยาเวรมะนีคือละการเสพการจากการร่วมหลับนอนกันการร่วมหลับนอนนี้ก็เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนนี่ ต้องมีต้องเห็นรูปร่างของแฟนต้องได้กลิ่นของแฟนต้องได้ยินเสียงของแฟนแล้วจะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็ติดกับความสุขนั้นจึงไม่อยากจะไปนั่งสมาธิกันการมาคุณห้ามันก็มีโทษตรงที่มันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลาแฟนไม่อยู่เวลาต้องอยู่คนเดียวความสุขที่จะได้จากแฟนก็ไม่มี ก็จะมีแต่ความเหงาความว้าเหว่ความเศร้าแต่ถ้าเราเอาเวลาที่เราอยู่คนเดียวนี้มาฝึกสมาธิได้เราก็จะไม่เหงาเราก็จะไม่ว้าเหว่เราจะมีความสงบเป็นแฟนของเราที่จะให้ความสุขกับเราแทนที่จะได้จากสามีหรือจากภรรยาของเรา ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากแฟนเราก็ต้องอย่าร่วมหลับนอนกับแฟนเลิกร่วมหลับนอนกันในช่วงที่เราไปปฏิบัติธรรมเนช่วงที่เราปฏิบัติธรรมนี้เราจะของดเราคงยังเลิกไม่ได้ทันทีทันใดแต่เราลดได้งดได้เป็นครัง้งเป็นคราวไป เช่นช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมก็ไปถือศีลแปดกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสพกามกันเพื่อที่จะได้หยุดกามะฉันได้ที่จะเป็นตัวอุปสรรคที่จะทำให้เราไปนั่งสมาธิกันไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราอยากจะนอนกับแฟนเราก็ไปนอนแล้วถ้าเราศีล ถ้าเราไม่ถือศีลข้อหกคือการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแล้วเราจะไปนั่งสมาธิเดี๋ยวนึกถึงข้าวขึ้นมาหิวขึ้นมานึกถึงข้าวเย็นตอนเย็นขึ้นมาแทนที่จะไปนั่งสมาธิก็หนีไปกินข้าวเย็นแทนก็จะไม่ได้นั่งสมาธิเห็นต้องถือศีลแปดเป็นการ break, เบรกหรือเป็นการระ ง, งับ ความอยากที่จะเสพกามนังงับกามฉันทะเพราะถือศีลแปดปั๊บพอจะมีกามฉันทะก็คิดว่าโอ๊ยวันนี้เสพกามไม่ได้แล้วเพราะเราถือศีลแปดเนี่ยกามฉันทะมันก็จะหดตัวลงไปได้เนนะต้องสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรักษาศีลแปดศีลข้อหกก็สํารวม ความอยากในการกินการดื่มอะไรต่างๆสินข้อเจ็ดก็สำรวมในการที่จะไปหาความสุขจากการดูการฟังการดูภาพยนตร์ดูมหัรสยต่างๆการน้องนำทำเพลงการแต่งตัวให้สวยให้งามอันนี้เป็นกรรมกา ร, รมัฉันทะเป็นการกระทำที่เกิดจากการมัฉันทะ ความอยากเสพกามอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องถือสีนแปดและข้อที่แปดก็คือความอยากหาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปนอนบนเตียงที่ที่มโหลานเป็นเตียงสำราญเนี่ยเป็นเตียงที่จะให้ความสุขมีพูกหนาๆ อย่างนี้จะทำให้นอนมากเกินไปจะทำให้เสียเวลาจะไม่เอาเวลามาปฏิบัติมานั่งสมาธิกัน น, นี่คือวิธีที่เราจะกําจัดนิวรณ์ข้อที่สองคือกามัฉันทะความอยากเสพกามก็คือต้องห้ามต้องถือศีลแปดห้ามไม่ให้เสพพอห้ามไม่ให้เสพแล้วถึงแม้จะมีความอยากก็รู้ว่าเสพไม่ได้ เมื่อเสพไม่ได้ความอยากมันก็จะระ ง, งับไปชั่วคราวนอกจากการถือศีลแปดแล้วบางทีก็ยังไม่พอเพราะถ้าไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาเสพกามเดี๋ยวก็อดไม่ได้เห็นเขาเสพกามแล้วเดี๋ยวตัวเองก็อดที่จะเสพตามเขาไม่ได้ก็ต้องหนีไปอยู่ที่เงียบๆที่ห่างไกลจากพวกที่เขาเสพกามกัน หนีจากพวกที่เขาร่วมหลับนอนกันหนีจากพวกที่เขากินข้าวเย็นกันหนีจากพวกที่ดูหนังฟังเพลงเที่ยวที่นั่นที่นี่กันหนีจากพวกที่ชอบนอนบนเตียงสำราญใหญ่หญเตียงที่มีความนุ่มมีพูกหนาหนาต้องไปอยู่กับพวกที่ไม่เสพกามพวกที่ไม่เสพกามก็ไปอยู่ตามวัด ต่างๆวัดปฏิบัติต่างๆวัดป่าวัดเขาเนี่ยไปที่นั่นจะไม่มีใครร่วมหลับนอนกันจะไม่มีใครกินข้าวเย็นกันจะไม่มีใครดูหนังฟังเพลงไม่มีใครแต่งเนื้อแต่งตัวไม่มีใครนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมีแต่นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยเสื่อปูด้วยผ้า นี่คือวิธีที่จะแก้กา ร, รมัฉันทะที่เป็นอุปสรรคข้อที่สองต้องสำรวมต้องคอยคุมความอยากเสพกามด้วยการถือศีลแปดและด้วยการไปปลีกวิเวกไปอยู่กับพวกที่ถือศีลแปดพวกที่ไม่เสพกามด้วยกันถึงจะทำให้ความอยากเสพกามนี้มันหายไป แล้วก็จะทําให้มีกระจิตกระจายมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้นี่คือนิวรณ์เรื่องของการมฉันทะเรื่องของการเสพการต้องคอยหักข้ามใจอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นนนต่างๆเพราะมันจะทําให้นั่งสมาธิไม่ได้ พอนั่งสมาธิก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกนั่นตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่ให้นั่งดูหนังนี่นั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกปวดแต่พอให้นั่งสมาธินั่งหลับตาขึ้นมาหน่อยนี้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาทันทีนั่นเพราะมีกามาฉันทะแต่พอถือศีลแปดปั๊บมันก็จะไม่กล้าเกิด พอเกิดมันก็รู้ว่าเกิดแล้วก็ทำไม่ได้เพราะถือศีลแปดแล้วกลัวบาปมากกว่ากลัวอดเนี่ยถ้าไม่ถือศีลแปดก็จะไม่กลัวอดไม่กลัวบาปเพราะไม่ได้ถือศีลแปดก็ถือว่าไม่บาปเมื่อไม่บาปก็ถ้ากลัวอดก็ไม่อดแล้วแต่ถ้ามาถือศีลแปดนี้กลัวจะบาปก็เลยต้องอดต้องกล้าอด นี่คือมาตรการที่จะมากำจัดการมัฉันทะที่เป็นนิวรณ์ตัวที่สองอุปสรรคชนิดที่สองคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปอยู่กับพวกที่ถือศีลแปดหรือไปอยู่คนเดียวเลยถ้าอยู่คนเดียวได้ยิ่งดีใหญ่อยู่คนเดียวที่ในป่าในเขาที่ไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ก็จะไม่มีอะไรมาชวนให้อยากจะเสพกามไปอยู่ในป่าช้าก็มีแต่พวกผีมีอะไรมาคอยมาคอยมาหลอกมาคอยร่อเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องเสพกามมันไม่มีมันจะคิดแต่ว่าผีจะมาเมื่อไหร่จะทำไงเวลาผีมามากกว่าเวลาผีมาก็ต้องเจริญสตินั่งสมาธิสู้กับมันนั้นเองมันจะถูกบังคับให้นั่งสมาธิเลย ถ้าไปอยู่ในที่ที่มันน่ากลัวที่ไม่มีอะไรมาลอ่อการมฉันท่าให้ออกมามันก็จะทําให้มีความเพียรพยายามที่จะนั่งทาใจให้สงบเพราะถ้าไปอยู่ที่มันน่ากลัวนี่มันทรมานใจถ้าไม่ถ้าไม่ควบคุมใจด้วยการนั่งสมาธิมันจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องหนีกลับบ้านหนีกลับเข้าเมืองเข้าบ้านเข้าเมืองไป แต่ถ้าอยากจะสู้กับความกลัวก็ต้องนั่งสมาธิมันก็จะถูกบังคับให้นั่งสมาธิโดยอัตโนมัติพอนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ความกลัวก็หายไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะปราบการมาฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นร้อพอไปอยู่ในป่าช้านี้มันจะไม่คิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรน้น มันจะคิดแต่เรื่องผีจะมาเมื่อไหร่แล้วจะทำยังไงกับมันเวลาที่มันมาก็ต้องนั่งสมาธิหลับตาพุทธโธพุทธโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวสวดอิติปิโสไปเพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองปกป้องรักษาเราไม่ให้ถูกผีมากัดมากิน น, นี่ก็คือวิธีแก้ นิวรณ์ข้อที่สองการมาฉันทะความอยากเสพการมาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าอยากจะได้รถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงต้องสละรสของการมาคุณห้าไปถ้าเอาทั้งสองอย่างแล้วมันปนกันเหมือนชั้นน้ำชากาแฟนี่พอไปปนกันแล้วกินไม่อร่อยเนะไม่มีใครเขากินกาแฟผสมกับชาใช่ไหมมีแต่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คนกินชาก็ไม่กินกาแฟคนกินกาแฟก็ไม่กินชาฉันใดคนเสพกามก็ไม่เสพรสแห่งธรรมไม่เสพความสงบคนเสพความสงบก็จะไม่เสพกามต้องเลิกอยากจะได้สมาธิก็ต้องเลิกเสพกามด้วยการถือศีลแปดด้วยการไปปรีกวิเวกไปอยู่ที่เปี่ยวที่น่ากลัวเช่นป่าชา้าหรือไปอยู่กับพวกที่ถือศีลแปดด้วยกัน ก็จะทำให้การ ม, มาฉันทาเกิดขึ้นได้ยากข้อที่สามคือความอุปสรรคข้อที่สามก็คือความง่วงเหงาเหานอนความง่วงนอนนี้ก็เกิดจากการกินมากเกินไปการถือศีลแปก็ช่วยแก้ความง่วงนอนได้แต่ถือศีลแปดยังก็ต้องระวังเพราะม่ยังไม่ได้ห้ามไม่ให้กินกี่ชาม ไม่กินหลังเที่ยงวันแต่ก่อนเที่ยงอาจจะกินฮะสามชามสี่ชามก็ได้กินเผื่อไว้เดี๋ยวตกเย็นจะได้ไม่หิวอันนี้ก็ต้องบังคับไม่ให้กินมากกินพออิ่มกินพอดับความหิวก็พออย่ากินให้มันอิ่มพอรู้สึกว่าความหิว่ไม่มีแล้วก็หยุดกินออาจกินแค่เคยกินสองชามก็ลดมากินชามเดียวก็พอเคยกินสองมื้อก็ลดมากินมื้อเดียว กินให้น้อยถ้านั่งแล้วยังง่วงอยู่ก็ต้องลดการกินให้มันน้อยลงไปถึงจะแก้ความง่วงนอนได้หรือต้องเปลี่ยนวิธีต้องไปหาที่ที่นั่งที่มันน่ากลัวไปนั่งตามป่าชา้าไปนั่งตามเมนก็ได้วัดในเมืองก็มีเมนขอพระขออนุญาตไปนั่งที่เมนตอนที่ไม่มีงานเผาศพเนี่ยลองไปนั่งที่เขาตั้งศพดู เราไปนั่งสมาธิที่นั่นรับรองได้ว่าความง่วงนอนจะไม่มีว่ามันจะมีแต่ความกลัวมาคอยเขย่าใจอยู่ให้ตื่นอยู่เรื่อยๆตอนนั้นต้องมีสติดีๆต้องมีพุทโธถึงจะสามารถอยู่นั่งสมาธิอย่างนั้นได้ถ้าสติยังอ่อนอยู่ยังระลึกถึงพุทโธไม่ออกนี่ถ้ามีแต่ความกลัวอยู่เดี๋ยวทนไม่ได้นานนะ พอกลัวมากมากก็ขอกลับล่ะเดี๋ยวคิดถึงผีทิพคิดถึงศพต่างๆที่ตายไว้จะมาหลอกมาร้อนถ้าถ้ากลัวมากๆก็ใช้วิธีแก้ความกลัวด้วยการไปนั่งตามป่าชา้านั่งตามเมนไม่ได้ก็ต้องใช้การลดอาหารลงต้องลดอาหารให้น้อยลงกินให้น้อยลง ไม่อย่งมันก็จะง่วงเหงาหงาวนอนกินมากแล้วหนังท้องมันตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนพอนั่งสมาธิก็จะสับประงกนั่งแล้วก็จะนั่งแล้วก็จะหลับนั่งแล้วไม่ได้สงบ ก, การหลับกับ ก, บการสงบนี้ไม่เหมือนกันเพราะการหลับนี้จะไม่มีสติไม่รู้สึกตัวการแต่ความสงบนี้จะมีสติจะรู้สึกตัว ยาเรมีความต่างกันนี่ก็คือนิวรนชนิดที่สามคือความง่วงเหงาเหานอนต่างๆต้งองพยายามกินให้น้อยอย่า ก, กินให้มากลดมันไปเรื่อยๆถ้ากินมื้อหนึ่งยังง่วงอยู่ก็ลองอดวันกินวันดูก็ได้วันนี้กินพวกนี้ไม่กินดูอดวันเว้นวันยังง่วงอยู่ก็อดสองวันกินวันหนึ่งดู อดมันไปเรื่ไม่ตายรับรองได้ถ้ามันผอมมากเกินไปแล้วค่อยมาว่ากันแต่ส่วนใหญ่มีมีมีอาหารสำรองอยู่ในร่างกายเยอะแยะมีไขมันมีอะไรตนไว้ในร่างกายเยอะพกคนที่มีเนื้อหนังมังสาเยอะๆนี่ไม่ต้องกลัวอดตายเพราะมีอาหารสำรองเก็บไว้ในร่างกายอยู่แล้ว ร่างกายไม่ตายเพียงแต่ใจมันจะตายเพราะความหิวนะั้นนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีแก้ความหิวด้วยการนั่งสมาธิเวลามันหิวมากๆนี้มันต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วความหิวเก้าสิบเปอร์เซ็นตจะหายไปเหลือความหิวสิบเปอร์ซ็นตเท่านั้นเพราะความหิวนี่มีสองส่วนด้วยกันหิวทางกายกับหิวทางใจ ความหิวส่วนใหญ่นี้เกิดจากความหิวทางใจขณะกินข้าวอิ่มๆพอนึกถึงขนมขึ้นมาก็หิวขึ้นมา ท, าทันทีเรียกว่าหิวทางใจร่างกายบอกแน่นท้องกินไม่ได้แต่ใจหิวขึ้นมาแล้วอยากจะกินขึ้นมาเอแล้วความหิวทางใจนี่มันทุกข์ทรมานกว่าความหิวทางร่างกายดังนั้นเวลาที่อดอาหารแล้วมันจะต้องบังคับให้เราต้องนั่งสมาธิือ เพื่อที่จะระ ง, งับความหิวทางใจที่มันแสนทรมานใจให้ได้ถ้าเราทำใจให้สงบได้ความหิวทางใจจะหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือความหิวทางร่างกายเพียงสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกไม่ทุกข์เดือดร้อนกับความหิวทางร่างกายเลยพอใจสงบแล้วใจอิ่มขึ้นมาความหิวของร่างกายนี้ถูกความอิ่มของใจกลบเอาไว้หมด อันนี้ก็เป็นมาตรการเป็นวิธีที่จะทําให้เราแก้นิวรณ์แล้วทำให้ใจเราเข้าสมาธิได้เพราะเมื่อเราหิวเราทรมานทางใจเราก็มีวิธีเดียวที่จะแก้มันก็คือต้องนั่งสมาธิเราก็จะนั่งแล้วก็จะไม่ง่วงนอนนั่งแล้วก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเดี๋ยวใจใจก็สงบซึ่งสงบแล้วความหิวทางใจก็หายไป ความหิวที่เหลืออยู่ทางกายก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่ไม่ทำให้ใจเดือดร้อนเพราะใจมีความอิ่มคอยรอเลี้ยงจิตใจอยู่ยนี่คือนิวร อ, อุปสรรคข้อที่สามเกิดความง่วงนอนนีเกิดจากความการกินมากเกินไปหรือถ้าเกิดจากความประมายังไม่อยากที่จะปฏิบัติ พอยังคิดว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันก่อนตอนนี้ดีกว่าไว้รอให้แก่ก่อนค่อยมาปฏิบัติก็ต้องคิดถึงความตายว่าความตายนี้มันไม่แน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้ช่วงนี้เริ่มคิดถึงความตายกันแล้วสิเมื่อก่อนไม่ได้คิดถึงเลยดีย๋ยวนี้มันมีความตายมา มาเสนอตัวให้เราเห็นล่ะมันก็จะทำให้เราต้องรีบคิดนะต้องรีบทำอะไรนะถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวถึงเวลาตายขึ้นมาเราจะไม่ได้ทำนะตอนนี้คนอาจจะเริ่มคิดทำพินัยกรรมกันเยอะแยะนะเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเวลาเป็นไข้หวัดขึ้นมาจะหายหรือไม่หายจะตายหรือไม่ตายใครมีทรัพสมบัติมีอะไรอยากจะให้ใครตอนนี้ก็ต้องเริ่มทาพินัยกรรมกันละ อันนี้ก็เหมือนกันสำหรับผู้ปฏิบัติพอ ร, รู้ว่าอาจจะต้องตายในวันใดวันหนึ่งนี้ก็อาจจะไม่ประมาทนอนใจแล้วทีนี้จะรีบมาปฏิบัติกันแล้วจะมาม่วงเหงาหานอนไม่ได้นะต้องกระตุ้นใจให้มีอะไรมาทำให้เกิดความอยากปฏิบัติขึ้นมาแล้วความขี้เกียจความเกียจข้านความ ง่วงนอนนี่มันก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อไปง่วงนอนก็อดเข้าวไปไปหาที่น่ากลัวอยู่ไปนี่ก็เป็นวิธีการที่จะกําจัดอุปสรรคที่เกิดจากความเกลียดข้านึกเกิดจากความง่วงเหงาเหงานอนข้อที่สี่อุปสรรคก็คือความโกรธบางทีเรามีเรื่องกับคนนั้นมีเรื่องกับคนนี้ มันก็ข้างคาใจเราเนี่ยบางทีเขาพูดคําเดียวตอนเช้าตอนเย็นเมื่อยังโกรธก็อยูนะ่เราเขาด่าเราพูดอะไรไม่ถูกใจเราคาเดียวใจเราก็ยังโกรธไปทั้งวันอยู่นั่นวิธีที่จะแก้ความโกรธก็ต้องมาหัดเจริญเมตตาภนะาวนาต้องแผ่เมตตาวิธีแผ่เมตตาเวลาเกิดความโกรธก็คือให้เราให้อภัยคนที่เขาทำให้เราโกรธ อย่าไปถือสาอย่าไปถือโทษให้คิดว่าคนที่ทำให้เราโกรธเป็นเหมือนเด็กก็แล้วกั น, เ, นเวลาเด็กทารกทำอะไรให้เราโกรธเรามักจะไม่โกรธเพราะเราไม่ถือสาเขาเพราะเราเห็นว่าเขาเป็นคนไล่เดียงสา<ม>คนที่เขาทำให้เราโกรธด้วยการพูดหรือด้วยการกระทำอะไรก็เช่นเดียวกันขอให้เราคิดว่าเขาเป็นเหมือนเด็กทารกเด็กไล้เดียงสา ไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายอย่างใดถ้าเรามองเขาเป็นเหมือนเด็กทารกเราก็จะให้อภัยเขาได้แต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่โตแล้วรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะให้อภัยเขาไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ใจก็จะทุกข์จะร้อนจะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ เราต้องรู้จักให้อภัยให้คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็ไม่มาทำให้ใจเราโกรธได้เะฉะั้นเวลาคิดถึงมันก็ให้อภัยเขาโดยคิดเสียว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นเหมือนฝันร้ายเมื่อคืนนี้ฝันร้ายตื่นขึ้นมามันหายไปหมดแล้วจะเอามาทำให้ใจเราโกรธทาไม อดีตผ่านไปแล้วมองเห็นให้เห็นว่ามันเป็นอดีตอดีตก็เป็นความฝันนลอย่าไปคิดถึงมันหรือถ้าคิดถึงมันก็ยกโทษให้เขาไปให้อภัยเข้าไปแล้วกันผ่านไปแล้วอย่ า, อามาแบกให้มันหนัก อ, อกหนักใจเลย น, นี่คือถ้าเกิดความโกรธต้องใช้ความเมตตาไม่จองเวรจองกรรมให้อภัยกัน เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไปอาฆาตพยาบาร์เขาเราไปทําร้ายเขากลับเดี๋ยวเขาก็กลับมาทําร้ายเราอีกเนี่ยเขาด่าเราเราไปตีเขาพอไปตีเขาเขาก็มาฆ่าเราเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะจองเวรจองกรรมกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันต่อไปพบหน้าชาติหน้าแต่ถ้าเราไม่ไปตอบโต้เราให้อภัยเขาเรื่องก็จบ ไม่มีการไ ม, ไม่มีการขยายเรื่องให้มันใหญ่โตขึ้นมาไม่มีการจองเวรจองกรรมการข้ามภพข้ามชาติใจก็สงบใจก็ไม่วุ่นวายใจก็สามารถกลับมานั่งสมาธิได้นี่คือนิวรณข้อที่สคือความโกรธเวลาโกรธใครนี้ต้องให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกันให้เห็นความโกรธว่ามันเป็นอุปสรรค เป็นโทษต่อเราคนที่เราโกรธเขาไม่เดือดร้อนหรอกเขาไม่รู้ว่าเราโกรธเธอได้ซ้ําไปเขานอนหลับสบายไอ้เรากินไม่น้อยนอนไม่หลับเพราะไปโกรธเขาพอเราไม่โกรธเขาปั๊บเราก็หลับสบายกินอะไรก็สบายนั่งสมาธิก็นั่งได้นจะไม่โกรธก็ต้องให้อภัยนี่คือข้อที่สี่อุปสรรคที่จะมาทําใจให้เรา นั่งสมาธิกันไม่ได้ข้อที่ห้าก็คือความฟาุ้งซ่านชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เช่นตอนนี้มีโรคระบาดนี้คิดกันใหญ่หาหน้ากากาที่ไหนจะไปทำอะไรที่ไหนไปเจอใครแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเห็นคนจามคนไอขึ้นมาจะทำอย่างไรคิดเครียดไปหมดเนี่ยคิดแล้วก็ฟุ้งไป ก็ต้องใช้สติคอยเจริญสติให้มากๆเหมือนเจริญพุทโธตั้งแต่เรายังไม่ไปนั่งสมาธิเริมตาขึ้นมาก็หัดคอยควบคุมความคิดไวเลยอย่าปล่อยให้มันคิดพอตื่นขึ้นมาพอมันจะคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นอย่ต้องคิดก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปสวดอิติปิโสไปทําอะไรก็สวดไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็สวดอิติปิโสไปเลื้พุทโธพุทโธไป แลื้อคอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ล้างหน้าแปรงฟันไปกับร่างกายให้ใจเกาะติดอยู่กับร่างกายทํางานคู่ไปกับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะสามารถควบคุมความคิดต่างๆได้ เวลานั่งจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านพอฟุ้งเราก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธใช้การสวดอิติปิโสไปเดี๋ยวมันก็หายฟุ้งนี่คือวิธีการต่างๆที่เราจะใช้ในการที่เราจะมากําจัดดิวรที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นการทำใจให้สงบคือหนึ่ง ความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงค์สองความยินดีในการเสพการมคุณห้าคือ ก, การเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะส า, าความง่วงเหงาหานอนสความโกรธและหความฟุง้งซ่านมีมาตรการต่างๆที่เราสามารถเอามาแก้ไขได้ถ้าเราใช้มาตรการที่พระพุทธเจ้าสงสอนนี้ รับรองได้ว่าอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นการปฏิบัตินี้ก็จะหายไปเราจะทําให้การปฏิบัติของเราเก้าวหน้าและได้ผลต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งเอานี่คือเรื่องทีเ่เอามาฝากท่านในวันนี้คือเรื่องของนิวรณ์ห้าอุปสรรคห้าประการที่ทําให้การทําใจให้สงบนี้เป็นไปไม่ได้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปกักปดิอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมมจโตสัพเพปุเรนตูสังกปา ยันโทปันาราโสยถามณิโชติาราโสยถาสัภีติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารุธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยใครมีคำราลังเลสงสัยอะไรถามได้ในช่วงนี้พะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องมีงานอย่างอื่นจะต้องทำต่อถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook ้า2 y อยสา b สิบสองยห้าวิทยออนไลน์ 16, ผู้รับฟังบนนี้สี่สิบเจ็ดรวมหนึ่งพันท่านค่ะอ า, อาจารย์ก็ขาประจำวันนี้มีคำถามอะไรเชิญถามได้ ไม่ต้องเสียงดังมากนะพอเสียงเรามันแปดหลอนโะนสอนมาจนเสียงหมดแล้วกระจัดอาจารย์ครับเมื่อตอนที่ฟังมีตัวปัญญาซ้อนกันสองตัวครับตัวแรกคือสมมุติที่เป็นปัญญาเป็นการเรียนแบบหนอนหนังสือทราบถึงเรื่องการเรียนที่เก่งมากอันนั้นเป็นสมมุติของปัญญาอีกตัวหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นอริยะก็คือหมายความว่ า, วาเกิดจากการปฏิบัติ แล้วมันแตกฉานเป็นปัญญาซึ่งเป็นอริยะกู อ, อยากทราบ ว, ว่าปัญญาสองตัวนี้ต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ก็ปัญญาสิบปากว่าไงก็เป็นได้ยินได้ฟังก็เหมือนสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นตหนึ่งเห็นด้วยตาเนี่ยเป็นปัญญาจริงปัญญาที่ได้ยินได้ฟังยังเป็นคำบอกเล่าอยู่ยังไม่ได้เห็นของจริงเช่นเนี่ย ที่ร้านโกมีอะไรบ้างเนี่ยโกมาเล่าให้ฟังว่าที่ร้านผมมีเครื่องทําผมเครื่องอะไรชนิดต่างๆพูดไปเท่าไหร่แล้วก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังไปนึกภาพไปแต่ยังไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงถ้าโกพาเราไปที่บ้านโอ้เห็นแล้วของจริงเป็นอย่างนี้เองเห็นบางทีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง เรือเราคิดเรานึกภาพว่ามันตรงกับที่เขามาเล่าให้เราฟังหรือเปล่าอาจจะไม่ตรงกันก็ได้อ๋อเพราะฉะนั้น oh, มันก็จะต้องเห็นได้หู oh. ก็ได้ตาก็ได้รลยด้วยตาเขาจเห็นด้วยใจอันนี้ทำเนี่ยเห็นด้วยใจเอ๋องั้นมันก็คล้ายๆกันทับซ้อนกันนะครับมันก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาตัวที่เป็นอรยิยะชัดเจนกว่าใช่เพราะปัญญาที่เป็นอรยิยะมันดับความทุกข์ได้ ปัญญาที่เป็นสมมุตินี่ดับไม่ได้อีกตัวหนึ่งครับเป็นคำซ้อนเหมือนกันตัวเมื่อกีปัญญาตัวที่สองนี่เป็นปฏิบัติเวลาเราภาวนาแล้วก็ปฏิบัติสวดกับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่เราเรียนมาจากนว ก, กะตอนสมัยบวชเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับคือปริยัตินี่ก็เป็นการศึกษาวิธีปฏิบัติ ถ้าไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรเมือนจะทำผมนี่ถ้าไม่ไปเรียนกับครูที่ทำผมก็ทำไม่เป็นทำก็ทำแบบผิดผิดถูกถูกทำแล้วก็ไม่ได้ผลดีต้องศึกษาวิธีทำผมก่อนพอเรียนรู้วิธีทำผมแล้วก็ไปสามารถไปท ำ, าา ท, ำไทำเหมือนกับอาจารย์ทำได้เลยทำเหมือนกับอาจารย์ทำได้ อันนี้เรียกว่าปฏิบัติผลก็คือได้ผลอย่างที่อาจารย์ทำอาจารย์ทำผมเก่งยังไงลูกศิษย์ก็สามารถทำผมเก่งได้เหมือนอาจารย์ น, นี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติป ฏ, ตปฏิเวทส่วนที่คุณถามว่าไอ้ที่สวดบนนี้เป็นอะไรส่วนมนนี้เป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสติคอยควบคุมความคิดแม่คิดปรุงแต่งเวลาจะนั่งสมาธิจิตจะได้สงบได้ ถ้ามีความคิดปรุงแต่งมันก็ยังไม่ยอมสงบคนละเรื่องกันก็เป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง แ, แต่ใช้ตัวปฏิบัติเหมือนกันคือถ้าถ้าสวดมนต์นี้สวดในเชิงปฏิบัติก็เพื่อเป็นการเจริญสติแต่ถ้าสวดเพื่อจําอันนี้ก็เป็นปริยะเช่นท่องสวดไว้ จะไปสอบนี่เขาบางทีเขาบางบางวัดเขาบาังครับว่าจะต้องสวดมนต์บทนั้นบทนี้ให้ได้ถึงจะอยู่วัดนี้ได้อย่างนี้อันั้นก็เป็นการไปท่องสวดต้องจําไว้เข้าใจแล้วครับอาจารย์แต่ถ้าสวดเพื่อให้ใจสงบก็สวดไม่ต้องจําสวดเพื่อให้มันไม่คิดอืมทําซ้ําแบบเต็มแบบทําวัดเช้าทําวัดเย็นก็สวดไปเออจะได้ไม่ไปคิดฟุ้งซ่าน ก็เหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิแล้วบางคนนั่งเฉยๆกับบางคนแบมือหุกมือวางไว้หน้าอกวางอย่างนั้นใช่ไหมก็ไปจังตัวสุดท้ายที่เป็นอุเบกขายังคล่องใจอยู่เมตตากรุณามมติตาแล้วพอเรามาถึงอุเบกขาตัวอื่นน่ะมันนุ่มนวลไปหมดเลยเราสามารถจะกรุณาเขาได้อะไรได้แต่ตัวอุเบกขา ทำไมมันมาอยู่รวมกันทั้งๆ ท, ท, ที่มันเฉยๆมันมันอยู่เฉยๆมันจะมารวมกับอันอื่นเพราะอันอืนอ่ น, น, นมันเป็นช่วยเหลือเกือก ôn, อ้อนโกนกระุณ า, าแต่ตัวสุดท้ายคือไม่ไ ม, ไม่ทำอะไรเลยคือถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเฉยๆไปไงเช่นจะช่วยเขาช่วยไม่ได้ mm hmm. เขาเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายจะไปเดือดร้อนวุ่นวายใจก็ไม่ได้ทาให้เขาหายก็ต้องทาใจเฉยๆ อันนี้มาแก้ตัวเราเองแก้ปัญหาตัวเราไม่ให้ใจเราไปทุกข์กับเขาเวลาเราอยากจะช่วยเขาเราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดเราก็ต้องควบคุมแล้วก็ดูจิตเวลาดูจิตก็กําหนดที่ลมหายใจก็กลับมาเป็นมรรคเมองแปดสินสมาธิปัญญาเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ที่มรรคคือ ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาที่จะทำให้ใจสงบใจวางเฉยได้แล้วใจมีเมตตาได้แล้วขึ้นอยู่กับเวลาว่าควรจะใช้อะไรตาใช้เมตตาได้ก็ใช้ไปใช้กรลณาได้ก็ใช้ไปใช้บุดิตาได้ก็ใช้ไปถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้เฉยๆไปไม่ต้องไปทุกข์ ไปวุ่นวายใจกับเวลาที่เราอยากจะช่วยใครเราช่วยเขาไม่ได้หรือเขาไม่ยินดีให้เราช่วยเขาเราก็กลับไปโกรธเขาอย่างงี้ก็ไม่ได้ผ ม, มยัยงเป็นเวลาสอนหนังสื อ, อแต่นักเรียนไม่รู้เรื่อง อ, อย่างฮาลาัลโลเวย์นิดๆตัวนิวรณ์ที่อาจารย์ได้กล่าววันนี้ทั้งหมดภายนอกภายในเห็นชัดสมาธิสมถะเห็นชัดความว่วงเห็นชัด แล้วก็ทุกอย่างความโกรธเห็นชัดฟงสั้นเห็นชัดอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องยานยานณทัศนวิสุทธิอีกครั้งหนึ่งครับอันนี่เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติคนะรับพอจิตสงบก็เกิดยานขึ้นมา ยานคือเห็นว่าจิตของเราสงบแล้วมีความสุขเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เป็นเพลงแต่ความคิดว่าโอ้ยเราสงบความคิดว่าเราสงบกับความสงบนี้จริง ม, มือน<ๆ>ไม่เหมือนกันยานกับฌานเหมือนกันไหมครับชื่อไม่เหมือนฌานแปลว่าความสงบฌ <án> านแปลว่าความสงบแล้วยานคือความอยากรู้ความอยากรู้อยากรู้ความรู้ว่าความรู้ก็แล้วกันหรือปัญญายานก็คือควา ม, วามารู้ ยานคือความรู้ปัญญาส่วนฌานคือความสงบความสงบรูปฌานนะรูปฌานเะนี่ยฌานขั้นต่างๆครับบางอย่างตั้งแต่เรียนมาตอนบวชตอนเป็นนว ก, กะจนกระทั่งเริ่มรู้มาเรื่อยๆแล้วก็ตอนเอาธรรมะมาสานกันยากเย็นเหลือเกินอาจารย์ขอพระคุณครับปลังมังสวิรัต <laughs> ต้องปฏิบัติไปด้วยมันถึงจะเกิดความแตกฉานขึ้นมาในความรู้ที่เราเรียนถ้าถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันยังมันยังไม่แตกฉานมันยังเป็นความรู้แบบผิวเผินอยู่ยังเป็นความรู้ที่ไม่ไม่ให้ความเข้าใจอย่างแจ่มชัดแต่ถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันจะเป็นความรู้ที่แจ่มชัดขึ้นมากระจ่างขึ้นมาเป็นญาณขึ้นมาเองเปลียนวิธีบอกมาข้างนอกเลยหรบอเปล่า ก็ต้องปฏิบัตินะถ้าอยู่ถึงขั้นต้องวิเวกก็ต้องวิเวกขั้นยังไม่ต้องวิเวกก็ยังไม่ต้องวิเวกก็ได้นะแต่ว่าเราอยู่ขั้นไหนต่ อ, อไปคำถามจากคุณตั้มค่ะการสวดมนต์พระมหาจักพัทคือการแผ่เมตตาหรือเปล่าครับและแตกต่างจากการแผ่เมตตาแบบสัพเพยอย่างไรครับ อ๋อไม่แผ่เราการสวดก็เป็นการสวดการแผลต้องเป็นการกระทำเนีเช่นใครตกหน้าเราแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรสัปเพสัตตาเอเวลาโหนตุอต้องสวดตอนที่เขาตกหน้าเราไม่ใช่มาสวดตอนที่เราอยู่คนเดียวเฉยๆนั่งสวดไปอันนั้นเป็นการฝึกสติหรือเป็นการสอนวิธีแผลเมตตาว่าแผ่อย่างไรเวลาใครใครเขาตกหน้าเราก็อาเวลาโหนตุไปเออ เวลาใครเขาไม่มีความสุขก็ซื้อขนมมาฝากเขาให้เขามีความสุขเวลาที่เราจะคิดไปทำร้ายจิตใจเขาแล้วทำร้ายร่างกายเขาเราก็ต้องหยุดนี่าเวลาเราจะไปเบียดไปเบียนใครเราก็ต้องหยุดทาอย่างนี้ถึงเรียกว่าแผ่เมตตาการสวดบทต่างๆไม่ว่าบทไหนเป็นเรื่องของการสวนเป็นการศึกษาถ้าเข้าใจความหมาย ถ้าไม่เข้าใจความหมายก็เป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสติเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆฟุ้งซ่านคุณกรรยา เวลาฝึกจะงดทานอาหารหลังเที่ยงแต่พอช่วงบ่ายๆเราจะเสียท้องเพราะมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารมาแต่ก่อนคือท้องว่างจะมีอาการเจ็บๆ เ, เสียดๆเราควรปฏิบัติอย่างไรคะงดอาหารเพื่อให้ร่างกายปรับตัวหรือว่าเราควรคิดว่าเราอนุโลมให้ทานได้เพราะร่างกายไม่พร้อมก็แล้วแต่เราเราจะเอาอะไรเราจะเอาร่างกายหรือว่าเอาจิตใจถ้เอาจิตใจก็ยินดีต้องทิ้งร่างกายไป เพราะร่างกายไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าเราจะเอาร่างกายเราก็ต้องทิ้งจิตใจไปเราก็ไม่สามารถรักษาจิตใจปฏิบัติทําได้ก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไรดีร่างกายดีหรือจิตใจดีคุณพูนศักด เวลาสวดมนต์ใจยังไม่นิ่งพอครับยังคิดเรื่องที่กังวลอยู่สมาธิก็ไม่ได้กับบทสวดมนต์อย่างนี้จะได้บุญไหมครับก็สวดไปเรื่อยๆก็แล้วกันสวดไปจนกว่ามันจะได้ผลนะฮะแต่ยังไม่ได้ผลก็สวดไปอย่าหยุดเนี่ยเหมือนชาร์จแบตเนี่ยแบตยังไม่เต็มก็อย่าเพิ่งเยอะอย่าเพิ่งเอาไปใช้มันรอจจเย็นๆชาร์จแบตชาร์จแบตให้มันเต็มเครื่องก่อนแล้วทีนี้ก็อาไปใช้ได้นาน คุณเ็ญจวันณเวลาหนูมีปัญหาหนูจะกลับมาแก้ที่ตัวเองโดยหาสาเหตุว่าอะไรทําให้เกิดปัญหาแต่พอหาไปเรื่อยๆหนูกลับไม่ได้คำตอบของปัญหาแต่ได้ความทุกข์จากการหามากขึ้นหนูจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเจ้าค่ะมันเป็นปัญหาของการปฏิบัติมากๆเจ้าค่ะกเพราะเราไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเราคืออะไรปัญหาที่ท เกิดจากตัวเราก็คือความอยากของเรานะอพอเราไปมีปัญหากับใครนี้มันเกิดจากปัญหาความอยากของเรานั่นเองอแต่เราไม่มองตัวนี้เราก็เลยแก้ไม่ตกเวลาเราอยากจะได้ตำแหน่งพอไม่ได้เราก็ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่มาโทษตัวเองว่าอยากไปได้เองถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนใช่ไออก็ออหยุดความอยากได้ตำแหน่งนั้นเสมันก็หมดปัญหาไป คือแก้ไม่เป็นไงไม่ได้ไม่ได้ศึกษาแนวทางของการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของเราทั้งหมดนี่เกิดจากตัณหาความอยากของเราทั้งนั้นกิเลสตัณหาของเราเราต้องมาหยุดที่กิเลสตัณหาเหมือนพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้กับองค์ุลิมานองค์ุลิมานคิดว่าต้องฆ่าค น, 1, 000, คนหนึ่งพันคนถึงจะเป็นผู้วิเศษนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา ปัญหาของคุณอยู่ที่ความโลภความอยากของคุณคุณต้องมาหยุดความโลภความอยากเป็นผู้วิเศษแล้วคุณก็จะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเองคุณวิโรธถ้ามาทางธรรมต้องตัดทางโลภญาติบุตรภรรยาให้หมดถูกต้องไหมครับก็ตัดชั่วขาวไม่ได้ตัดแบบถาวรตัดแบบไปโรงพยาบาลใช่ไหมเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องตัดลูกตัดเมีย ขอเอาลูกเอาเมียไปนอนโรงพยาบาลด้วยได้หเปล่าก็ต้องไปนอนคนเดียวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพอรักษาหายแล้วก็จะกลับไปหาลูกหาเมียก็ได้พระพุทธเจ้าตอนไปรักษาใจท่านก็ไปคนเดียวพอท่านรักษาใจของท่านหายแล้วท่านก็กลับไปเยี่ยมเอาลูกไปเลี้ยงต่อได้กลับไปรับเอาลูกมาบวชต่อมาอยู่กันได้ต่อไปก็รับเมียมาเมียก็บวชแม่ก็บวช ามมาบวกันหมดก็ไม่ได้ตัดแบบไร้เยื่อใยหรือตัดไม่ได้ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าตัดกันกับการมีปฏิสัมพันธ์ชั่วขา่าวเพราะาต้องไปทำหน้าที่เหมือนวลาเราส่งลูกไปศึกษาเมืองนอกเราต้องไปกับลูกก็เปล่าก็ให้ลูกเขาไปเขาก็ไปเรียนหนังสือของเขาใช่หไหมเราก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่ของเ ข, า, ข, า, ขาไป เ, เขาเรียนจบเขาก็กลับมาหาแม่หาพ่อเขาก็ไม่ได้หามานานเดี๋ยวเขาก็ไปอยู่กับลูกกับผัว ก, กับเมียเขาเอีกแล้วมันก็ไม่ได้ตัดเราไม่มีใครตัดกันหรอกเพียงแต่ว่าต้องงดการมีความสัมพันธ์กันชั่วคราวเอเพื่อที่จะได้ไปทําหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์าการไปบวชนี้ก็เป็นการไปเรียนหนังสือเป็นเรียนเมืองนอกเพราะที่ศึกษาต้องไปอยู่นอกบ้านนอกเมือง ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาก็ถือว่าไปเหมือนไปเมือง น, นอกอก็อยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ปีบางคนสําเร็จเร็วเจ็ดวันก็กลับมาก็ได้บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีแต่พอสําเร็จแล้วก็กลับมาเยี่ยมเยียนกันมาพบปะกันมาช่วยเหลือกันคุณขันท่า เรื่องความรู้จากการได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่หลวงตาหรือพระอาจารย์หรือหนังสือตำราต่างๆความรู้นั้นมันต่างกันมากกับการปฏิบัติให้เห็นจริงรู้จริงแม้กระทั่งเรื่องอ่านจิตเดาจิตและรู้ล่วงหน้าใช่ไหมครับก็บอกเรื่องไงว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น ใครมาเล่าให้เราฟังว่าไอ้นอู่นไอ้นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สู้ไปเห็นด้วยตาของเราดีกว่าชัดเจนกว่าคุณรัชนีการสวดอิติปิโสร้อยแปดจบต่างกับภาวนาพุทโธไหมคะไม่ต่างกัาเป็นการเจริญสติเหมือนกัน แล้วแต่ว่าเราสะดวกกับอันไหนเราก็ใช้อันนั้นบางคนใช้พุโทโธได้เขาก็ไม่ต้องใช้สวดอิติปิโสบางคนใช้พุโทโธไม่ได้ก็ต้องมาใช้สวดอิติปิโสไปก่อนคุณปริชาติถ้านั่งสมาธิอยากเข้าห้องน้ําต้องทนนั่งต่อไปหรือละไปเข้าห้องน้ําก่อนคะก็ก่อนยจานั่งก็ไปเข้าซะก่อนซิ <laughs> ไปถ่ายให้มันให้พอนั่ง บีปนาวาให้หมดเราเสร็จแล้วค่อยไปนั่งแล้วถ้ารู้ว่าจะนั่งนานก็อย่าไปดื่มน้ําตอนก่อนจะนั่งสมาธิเดื่มน้อยๆคุณวรินพระสายวัดป่าเวลาไม่สบายต้องกินยาหลังอาหารสามมือ้อต้องทําอย่างไรครับก็ไม่กินหรอกาพราะวัดป่าเขาไม่ไปรักษากับโรงพยาบาลที่ต้องให้เขาผิดศีลเขาไม่ไป บาอาจารย์ถึงแม้เขาชอบไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะท่านรู้ว่าจะต้องทำผิดศีลในการรักษาของหมอหมอเขาไม่รู้เรื่องศีลเขารู้เรื่องว่ารักษาสำคัญกับเรื่องศีลแต่พระนี่รู้ว่าเรื่องศีลสาคัญกับเรื่องเรื่องเรื่องรักษาท่านก็เลยไม่อยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะมันไปคนละทางกันทางโรงพยาบาลเขาเอาทางร่างกายเป็นหลัก ทางทางพระนี่เอาทางจิตใจเป็นหลักท่านจะเอาศีลมากกว่าเอาร่างกายยอมตายรักษาศีลดีกว่าเสียศีลยอมตายดีกว่าเสียศีลคุณสรัญญาขณะนั่งสมาธิควรกำหนดจิตไว้ตรงไหนคะและถ้าลมหายใจละเอียดมากจนไม่รู้สึกถึงลมแล้วเราควรบริกรรมพุทโธ ต, ต่อไปไหมคะไม่ต้องหรอกก็ดูเฉยๆดูความว่างไป ดูความคิดว่าคิดหรือเปล่าคิดก็ต้องหยุดมันอย่าป่อยให้มันคิดเนี่คุณนุษย์นิวรณ์ข้อที่สี่คือความโกรธยังมีสติระงับไม่ค่อยจะทันเจ้าค่ะอก็ให้อภัยสิมองเขาเขาเป็นเด็กอะเวลาเด็กทําอะไรเสียหายเราโกรธเด็กไหมไม่โกรธล้วก็มันไล่เดียงสาคนที่ทําอะไรเสียหายก็เป็นเหมือนคนไม่มีสติสตังเหมือนเด็กไล่เดียงสาเอง ก็ถือว่าก็เป็นเด็กไร้ายเดียงสาไปก็จะไม่โกรธเขาหรือพุโทโธพุโทโธไปถ้ายังโกรธอยู่กพ็พุโทโธพุทโธอย่าส่งจิตไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธมันก็หายแต่มันสู้การให้อภัยไม่ได้เพราะให้อภัยแล้วมันจะหายเลยคิดถึงทีไรก็ไม่โกรธแต่ถ้าใช้พุโทโธหยุดให้หยุดคิดพอไปคิดมันใหม่ก็โกรธขึ้นมาใหม่ได้ เือต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าความโกรธนี้เป็นเหมือนไฟเผาใจเราเราต้องการเอาเอาไฟมาเผาร่างกายเราหรือเปล่าเราไม่ต้องการพอพอมีไฟจะมาเผาร่างกายเราเราก็ต้องรีบดับมันด้วยน้าอย่าใดพอมีไฟจะมาเผาใจเราเราก็ต้องดับด้วยน้ำน้ำธรรมก็คือความให้อภัยความเมตตาคุณสุพจน์ การดูจิตตรงๆต้องบริกรรมร่วมด้วยไหมครับไม่รู้คุณพูอะไรไม่รู้เข้าใจดูจิตตรงๆเป็นยังไงหมดแล้วเลยการดูจิตให้ดูที่กิเลส่าเกิดกิเลนหรือเปล่า เ, เกิดกิเลสก็ต้องหยุดมันเวลาดูจิตจิตโกรธหรือเปล่าจิตโลภหรือเปล่าจิตหลงหรือเปล่าต้องหยุดมันอย่าให้มันเกิด ต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติใช้ปัญญาถึงจะดับความโลภโกรธหลงได้ถ้าดูเฉยเฉยมันอาจจะหยุดป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอไม่ดูมันมันก็กลับโผล่ขึ้นมาใหม่ได้เห็ั้นต้องดูด้วยสติดูด้วยปัญญาถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรถ้าดูเฉยเฉดูพอโกรธป๊บพอดูจิตปป๊บมันหายโกรธพอไม่ดูมันมันก็กลับมาโกรธใหม่เหมือนกับ เหมือนกับตำรวจกับขโมยพอมีตำรวจเฝ้ายามอยู่ขโมยก็ไม่มาพอตำรวจไปพักผ่อนขโมยก็ออกมาอันนี้ก็เหมือนกันพอเราดูจิตมันก็ไม่โผล่ออกมาพอเราไม่ดูปั๊บมันก็โผล่มาคุณครูฮ e ตแกมมิ่งอุปกกเลสสิบหกรวมแล้วก็คือโรคโกดลงแต่ละเอียดใช่ไหมคะ ก็ปอันนี้เราไม่รู้เราไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาลองไปถามกูเก้าดูกำลังอุ ป, ปกิเลสสิบหกมีอะไรบ้างดูแค่สามตัวก็พอไม่ต้องไปรู้เยอะให้มันหนักกกอย่าไปแบกความรู้เลยเอาความรู้เท่าที่จำเป็นเนทะ่านั้นหรือว่าตอนนี้รอบหรือเปล่าโกรธหรือเปล่าหลงหรือเปล่า มันจะเป็นอุปกิเยิยหรือเป็นมาหากิเลศก็เรื่องของมันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจขอให้รู้ว่ามันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็แล้วกันพอเราทุกข์ปั๊บเนี่ยเราต้องกําจัดไอ้ตัวที่ทําให้เราทุกข์ให้ได้ถ้าโลภถ้าทุกข์เพราะโลภก็ต้องหยุดความโลภทุกข์เพราะความโกรธก็ต้องหยุดความโกรธทุกข์เพราะความกลัวก็ต้องหยุดความกลัวทุกข์เพราะความหลงก็ต้องหยุดความหลงด้วยสติหรือด้วยปัญญาท่านั้นเองอย่าไปรู้มากเลย เนี่ยปฏิบัติแล้วสับสนไปหมดขับรถนี้ต้องไปรู้รู้เปล่าว่าหัวตอนนี้ลูกสูบลูกไหนกําลังทํางานอยู่ตอนนี้แอร์ความเร็วเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ต้องไปรู้มันรู้เปล่าขับรถแล้วตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่เครื่องกี่รอบต้องไปสนใจมไหมไม่ต้องไปสนใจเหมือนขอให้ดูถนนให้ดูรถที่เราขับว่ามันไปจะไปชนกับคันไหนหรือเปล่าก็พ อ, พอ น้นให้รู้เรื่องที่มันควรจะรู้ไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะไปรู้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกรู้ไปก็เท่านั้นตอนนี้รู้แล้วรถตอนนี้กําลังวิ่งสามหมืนรอบความเร็วห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิเจ็ดสิบไปรู้มันทําไมเดี๋ยวก็ขับรถชนกันตายไปคอยรู้าตอนนี้รถวิ่งปลอดภัยหรือเปล่าไปตัดหน้าใครเขาหรือเปล่าไปชนท้ายใครเขาหรือเปล่า ไปผ่าภไยแดงหรือเปล่าให้รู้อย่างนี้ก็พอจะคุณนุตรดานั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนจิตพุทธโธเองทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ปล่อยเป็นพุทธโธเองไปแตสแสดงว่าเกียร์ออตโต้แล้วนี่ถ้ามันพุทธโธเองได้ก็ดีแต่มันจะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คอยให้คอยประครับประคองให้มันพุทธโธไปจนกว่าจิตจะสงบของมันเองคุณเฉลิมเกียรติ ธรรมชาติเดิมของจิตเราคือรู้อย่างเดียวใช่ไหมครับธรรมชาติของจิตก็คือรู้แล้วก็รู้สึกนึกคิดเนี่ยคือธรรมชาติของจิตนถ้ามันสงบก็เหลือแต่รู้อย่างเดียวความรู้สึกนึกคิดก็หยุดไปแต่ถ้ามันไม่สงบความรู้สึกนึกคิดก็โผล่ขึ้นมาเหมดนัดใช่ไหมมีใครอยากจะถามไหมตังเลสงสัยเรื่องอะไรเออ อยากจะรู้ถามได้นะเดี๋ยวพอเลิกแล้วห้ามเข้ามาถามพอเลิกปั๊บเดี๋ยวเข้ามาถามแล้วถามต่อคุณรัชนีการทางบุญทางเพจเฟซบุ๊ก โดยการโอนเงินผ่านมือถือจะได้บุญต่างกับการที่เรานำมาถวายด้วยตนเองไหมคะไม่ต่างหรอกก็เสียเงินเท่ากันเนี่ยเอามาถวายก็เสียร้อยหนึ่งโอนเข้าบัญชีก็เสียร้อยหนึ่งทำไมอยู่ที่ปริมาณการเสียสละของเราที่จะทำให้ใจเราเกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาเวลาเ้าได้ทำบุญเราเรารู้สึกสบายใจขึ้นมาคุณแม่มทีจี อาชีพโฆษณาที่เราต้องพยายามสร้างความเชื่อให้แก่ผู้บริโภคมาใช้สินค้าของเราแม้บางครั้งเกินจริงและไม่สมราคาอย่างนี้ถือว่าผิดศีลไหมคะก็หลอกลวงเลไม่โกหกเลโกหกหลอกลวงคุณธนากรครูบาอาจารย์ที่นิพพานไปแล้วสามารถมาสอนเราในสมาธิได้ไหมครับถ้าเราติดต่อกับท่านได้ท่านก็สอนเราได้ คุณสอ น, นรินเวลาผมนั่งสมาธิบางครั้งก็ได้นานบางครั้งก็ได้ไม่ถึงชั่วโมงครับก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาการปฏิบัติก็มีแบบสั้นๆยาวๆบางทีก็สั้นบางทีก็ยาวเพราะกำลังของการปฏิบัติแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันอุปสรรคที่ขวางกั้นก็ไม่เหมือนกันขอให้ทาไปเรื่อยๆก็แล้วกันอย่าไปกังวลว่าสั้นบ้างยาวบ้างแต่พยายามทให้มันยาวให้ได้ เวลามันสั้นก็ฝืนนั่งต่อไปอย่าเพิ่งรีบลุกเนี่ยคุณพิรยาการแผ่เมตตาให้เจ้ากำรนายเวรที่มีชีวิตควรทำอย่างไรคะก็ดอกไม้ถูกเทียนไปให้เขาสซื้อข้าวซื้อของไปให้เขาขออภัยเขาถ้าเขาแย่เขายัางจองเวรอยู่ก็ช่วยไม่ได้คุณหนู ขณะที่สวดมนต์มีแสงสีเหลืองส่องมาที่ตัวคืออะไรคะก็คือแสงสีเหลืองที่ส่องมาที่ตัวนี่คืออะไรไม่ต้องถามันเลย <laughs> พระอุตตรเจ้าบอกอะไรมันเกิดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงแต่งว่าเวทีวดาส่งไฟฉายมาหาเราแล้วนั่นแหละนีว่ว่าหลงละตรงแต่งละมโนละ ให้ดูตให้ดูตามความเป็นจริงแสงสีเลี้ยงส่องลงมาก็ให้รู้ว่ามีแสงสีเลี้ยงส่องลงมาเท่านั้นพออออย่าไปรู้มากไปกว่าที่มันเป็นเป็นจริง mm hmm. บางคนบอกโอ้ยถ้ามหาพร ม, มาแล้วส่งมาส่งอมาเยี่ยมเยียนแล้ว mm hmm. คิดไปคนละเรื่องเลยไอเรื่องความเป็นจริงเลยกายไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเหมือนกระต่ายตื่นตูมลูกตาลตกลงมาอโอ้ยแผ่นดินถลม่ม mm hmm. <laughs> ลูกตาลหลงมาก็ลูกตาลหลงลงมามันจะไปเกี่ยวกับพันดินถล่มตรงไหนมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิอะไรโผล่ขึ้นมาก็ก็ให้รู้ตังที่มันโผล่ขึ้นมานั่นแหละแสงโผล่ขึ้นมาก็แสงโผล่ขึ้นมาเสียงโผล่ขึ้นมาก็เสียงโผล่ขึ้นมาก็เท่านั้นเองให้ดูว่ามันเป็นตายรักก็แล้วกันดูว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ เราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้อออยากไปยุ่งกับมันอยากไปอยากให้มันโผเวลาไม่โผเดี๋ยวจะทําให้เราทุกข์เวลาโผอยากให้มันหายก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะทําให้เราทุกข์อีกต้องเฉยๆดูแล้วปล่อยวางดูไว้ายบาใส่บาแบกหามให้รู้อย่างนั้นคุณสมพศ์ไม่มีเงินช่วยแรงงานจะได้บุญไหมครับไม่มีเงินก็ใช้แรงงานของเราสิ ช้แงงานแทนก็ได้บุญไปล้างช่วงล้างซ่วมล้างคลองน้ําหรือไปรับทํางานโดยไม่ไม่รับค่าไม่รับเงินเดือนก็ถือว่าได้ทําบุญด้วยเงินนะเพราะเราไม่รับเงินเราเสียสละเงินที่เราจะได้ไปก็ได้บุญเหมือนกับใช้เงินทําบุญคุณโดดเดียว ถ้าหนูมีเรื่องที่เป็นปมในอดีตมามากๆจนถึงปัจจุบันยังปล่อยวางไม่ได้หนูควรทำอย่างไรดีเจ้าคะหนูรู้สึกเป็นทุกข์สะสมมานานเหลือเกินเจ้าค่ะก็อย่าไปคิดถึงมันเลยเวลาคิดถึงมันก็พุทโธพุทโธกบมันไปคุณอ้อยฟ้าใสการให้ธรรมะเป็นทานเป็นบุญอย่างหนึ่งแต่หากเราแชร์เกี่ยวกับธรรมะแล้วไม่มีใครสนใจเราควรหยุดแชร์ดีไหมคะ ก็ไม่รู้เป็นธรรมะหรือธรรมเมาธรรมะสมัยนี้มันบางทีไม่ได้มีการกัดกรองมันก็ลายกลายเป็นธรรมเมาไปก็ได้เห็นของเราจะเป็นธรรมเมาบางคนก็ถึงไม่ไม่มีใครรับไม่มีใครก็กดชอบกุณธนากร ที่วัดพระอาจารย์สามารถนำเนินไปบวชปฏิบัติธรรมได้ไหมครับอยากให้ไปบวชอยู่กับพระอาจารย์ครับอเปีนี้ก็ไม่บวชเนรตอนนี้เขาลังับการบวชหมู่เพราะว่ากลัวจะมาแพร่เชื้อโรคห้กันเนรในที่ข้างบนนี้ไม่รับหรอกที่ข้างบนนี้รับแต่พระผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่เนนี้ต้องไปบวชที่วัดข้างล่างวัดยานอยู่กับเจ้าวาดเจ้าวาดท่านเป็นคนรับพวกพระเนนทั้งหลาย นี่ไม่รับพระเนร์คือไม่รับมาบวชรับบวชต้องไปบวชที่อื่นแล้วก็มาอยู่ที่นี่นคุณเฉลิมพงตอนนอนหลับกลางคืนเหมือนจิตนึกอะไรไปเรื่อยๆคล้ายฝันเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะมันคิดทั้งวันไงทั้งคืนนอนหลับมันก็คิดต่อเลย คุณมอลลี่นั่งสมาธิมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าขึ้นเลยเจ้าคะ่ะในแต่ละวันบางทีจิตนิ่งบางทีวอกแวกควรมีวิธีการอย่างไรให้จิตนิ่งได้ตลอดทุกครั้งเจ้าคะ่ะเราจะฝึกสติอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิเท่านั้นต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับเนี่ต้องมันฝึกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็จะนั่งได้นานขึ้นมากขึ้น คุณสอนรินฝึกสมาธิโดยไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนจะเป็นอย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ จ, จะหลงทางได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ซึ่งมีในหลายรูปแบบไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์อ่าหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้ของครูบาอาจารย์ก็ได้ก็ถือว่าได้มีครูบาอาจารย์เหมือนกันเหมดแล้วแหละโอเค